เลี้ยงเพื่อนงบนี้ตั้งไว้สําหรับเสริมสร้างไมตรีกับคนนอกครอบครัวเป็นงบที่จําเป็นรองจากงบแรกถ้าจะเปรียบกับความจําเป็นในตัวคนงบแรกจําเป็นเท่ากับอาหารขาดไม่ได้เลยงบนี้เท่ากับเครื่องแต่งตัวแม้จะขาดบ้างก็ได้แต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่ดีคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมีอยู่หลายประเภทคือมิตรได้แก่คนที่รักใคร่นับถือกัน มีความหวังดีต่อกันคนประเภทนี้รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ด้วยสหายคือเพื่อนฝูงจำพวกเพื่อนนี้หมายถึงคนที่ได้ร่วมกันจะเป็นการเคยร่วมกันในอดีตหรือร่วมกันในปัจจุบันก็ตามมีชื่อเรียกไปตามที่รวมกันเช่นเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงและอื่นๆซึ่งได้อธิบายมาแล้วในหลักการมีทรัพย์สาขาคนที่คอยช่วยเหลือหรือเป็นตัวแทนตรงกับ ที่เราพูดว่าสาขาแต่นี่หมายถึงคนที่แยกนี้ผมแยกพอให้เกิดประเด็นในการขีดเขียนและในการคิดนึกของท่านผู้อ่านเท่านั้นความจริงคำเหล่านี้ออกจะปนเปนกันอยู่เหมือนกันฉะนั้นในการอธิบายขอใช้คำรวมคาเดียวว่าเพื่อนเพื่อนเป็นกลุ่มกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการครองชีวิตอย่างคารวะดังเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า คนที่มีเพื่อนมากหน้าหลายตาจะทําอะไรก็สะดวกงานยากก็กลายเป็นง่ายในการทรงแสดงธรรมะอันเป็นปฏิปทาแห่งความก้าวหน้าที่เรียกว่ามงคลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด38ข้อพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงลัทธิการครบเพื่อนไว้เป็นอันดับแรกและลําดับที่สองแสดงว่าเพื่อนเป็นเรื่องสําคัญอาจเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราได้ทีเดียววิชาข้างหมอดูก็ตรงกันคือ ถือว่าเพื่อนมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตมากหมอดูดวงชะตาถือว่าโชคชะตาของคนจะดีจะร้ายมีจุดสำคัญอยู่12จุดคือ 1. ตนุตัวเอง 2. กตุมภะทรัพย์มรดก 3. สหัสชะเพื่อน 4. พันธุพี่น้องเผ่าพันุ 5. ์ 5. ปุตตะบุตร 6. อริศัตรู เจ็ดปัตตนิคู่ครองแปดมรณะสุขภาพเก้าสุภะความดีสิบกรร ม, มะการงานสิบเอ็ดลาภะรายได้สิบสองวินาศณะนะอุปสรรคท่านผู้อ่านโปรดสังเกตดูน้ำหนักของเพื่อนมาในลำดับที่สามในวงเล็บหมอดูบางคนใช้ลำดับสี่หมายถึงเพื่อนหลักการดูนี้ใช้กับดวงชะตาของคนก็ได้ ของครอบครัวในวงเล็บเรื่อสมรสของหน่วยงานตลอดจนประเทศชาติก็ได้ใช้หลักเดียวกันนี้การดูดวงนี้เป็นวิธีดูกันละเอียดดูหลายจุดหมอดูอีกพวกหนึ่งดูแต่จุดใหญ่ๆเพียง8จุดที่เรียกว่าหมอดูทางทักษะจุดใหญ่8จุดนั้นคือ 1. บริวารเท่ากับพวกพ้องเพื่อนฝูง 2. ออายุเท่ากับสุขภาพ 3. เดชเท่ากับอำนาจหน้าที่สีศรเท่ากับเกียรติยศ 5. มูละเท่ากับทรัพย์สิน 6. อุสาหะเท่ากับการงาน 7. มนตรีเท่ากับผู้ใหญ่ 8. การลัคนีเท่ากับศัตรูขอให้สังเกตว่าแม่นักพยากรณ์จะดูอย่างรวบรัดลงจาก12ลงเหลือ8เท่านั้นเพื่อนฝูงก็ยังมีความสำคัญอยู่ในลำดับที่1อีก ที่พูดนี้ผู้ที่เห็นความสำคัญของเพื่อนในทัศนะต่างๆไม่ว่าชีวิตของบุคคลหรือชีวิตของครอบครัวเพื่อนฝูงทิ้งไม่ได้เรื่องนี้บางทีแม่บ้านบางคนอาจไม่สู้เห็นความสำคัญนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตกที่นั่งเป็นแก้วก้นห้องอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนไม่มีโอกาสไปเผชิญชีวิตนอกบ้านก็มีโอกาสได้รู้ความสาคัญของเพื่อนน้อยลงแต่ฝ่ายพ่อบ้านเกือบจะว่าร้อยทั้งร้อย เมื่อ น, นึกถึงงานก็ต้องนึกถึงเพื่อนควบกันไปด้วยยิ่งตนเองครองตำแหน่งสูงใหญ่เพื่อนฝูงก็ยิ่งจะเป็นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพื่อนตายขอแวะตรงนี้สักนิดเพราะได้ปรารภเรื่องเพื่อนแล้วและอีกหน่อยก็จะพูดถึงการเลี้ยงเพื่อนคือคนที่จะมาเป็นเพื่อนเรามีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเพื่อนกินชนิดที่สองเพื่อนตาย เราพูดกันจนติดปากว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินน่ะไม่มีปัญหาคือเพื่อนร่วมกินเป็นเพื่อนเราในยามที่เรามีให้กินถ้าเราหมดของที่จะให้กินเพื่อนก็ตีจากเพื่อนชนิดนี้มีมากหาง่ายคิดดูเองก็แล้วกันการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นไม่มีการขออะไรจะง่ายได้เท่ากับขอให้ช่วยกินเรื่องนี้เราผ่านไปเลย ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราตั้งงบจ่ายเลี้ยงเพื่อนฝูงนั้นจุดใหญ่ก็คงไม่อยู่ที่นี่แต่คงมุ่งถึงเพื่อนจริงๆเพื่อนจริงๆนั้นเราเรียกว่าเพื่อนตายอยากพูดตรงนี้คือมีผู้ตีความหมายว่าเพื่อนตายนั้นหมายถึงคนที่ร่วมหัวจมท้ายอยู่เคียงคู่กับเราจนวันตายแม้ว่าเราจะทาชั่วร้ายเราโกงก็ร่วมโกงด้วยเราลักก็ร่วมลักด้วยเราปล้น ก็รวมปล้นด้วยเราสู้ตำรวจก็สู้ด้วยเราหนีตำรวจก็หนีด้วยเพื่อนอย่างนี้เราเรียกว่าเพื่อนตายฟังดูก็เข้าทีแต่ไม่เป็นผลดีในทางปฏิบัติแต่อย่างใดเลยไม่ใช่แต่จะไม่ตรงกับพระพุทธประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่หากไม่ตรงกับเจตนาของตัวเองด้วยแต่ถูกโมหะความหลงผิดบิดเบือนให้คุ้ยเขวไปเสียเท่านั้นลองไล่เลียงดูกับตัวเองก็ได้ถามเองตอบเองดูก็รู้ เขเพื่อนทำไมถามคบไว้พึ่งพาอาศัยกันตอบพึ่งหมายความว่าอย่างไรถามก็หมายความว่าให้พ้นภัยพิบัติตอ่อคือทำเราให้ดีขึ้นหรือให้เสื่อมเสียลงไปหรือถามก็ต้องทำให้ดีขึ้นสิจึงจะเรียกว่าช่วยตอบถ้าใครซ้ำเติมให้เราเสียหายละ่ะเป็นเพื่อนไหมถาม นั่นมันศัตรูไม่ใช่เพื่อนตอบตกลงเข้าใจแล้วทีนี้การที่เราเป็นโจรนั้นเป็นความดีหรือความชั่วชั่วน่ะชั่วแน่ๆใครๆก็ไม่ว่าดีแล้วถ้าใครมาช่วยหนุนให้เราเป็นไอ้โจรมหาโจรหนักเข้าไปอีกเราจะถือว่าคนนั้นช่วยทำให้เราดีขึ้นหรือให้เสียหายลงไปขอให้ตอบตรงๆถามอ้าวเล่นซักตลบหลังอย่างนี้นี่ คนที่มาหนุนให้เราเป็นโจรเป็นเสือหนักเข้าไปอีกก็เท่ากับมาช่วยทำให้เราชั่วช้าสารเลวหนักเข้าไปอีกละสิตอบเป็นการผลักให้เราเสียเร็วหนักเข้าไปอีกใช่ไหมถามใช่ตอบเหมือนกับเราป่วยแล้วเขาบีบจมูกให้เราตายเร็วเข้าใช่ไหมถามใช่ตอบ เหมือนกับเรากําลังลื่นถล่าจะตกลงในหลุมอาจมแล้วเขาช่วยผลักให้ตกลงไปถึงก้นหลุมเร็วเข้าใช่ไหมถามใช่แล้วตอบคนที่ช่วยเราให้ตายเร็วเข้าเมื่อเห็นเราป่วยคนที่ช่วยผลักให้เราถลําลงสู่บอ่ออุจจระเร็วเข้าเมื่อเราลื่นจะถือว่าเขาได้ทําตัวให้เราพึ่งพาอาศัยได้หรือไม่ถามไม่ได้ไม่ได้ตอบ ประเดี๋ยวเราจะถือว่าเราได้พึ่งเขาในการตายเร็วเข้าหรือในการตกเบ่อุจระเร็วเข้าได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้พึ่งภาษาอะไรกันคุณถ้าเช่นนั้นคุณบอกว่าคุณคบเพื่อนไว้พึ่งพาอาศัยกันแล้วถ้าเพื่อนคนหนึ่งพยายามเร่งเร้าให้คุณทำชั่วแนตะแต่ทางที่จะทำให้เสื่อมเสียยังจะเป็นที่พึ่งอาศัยของคุณอยู่หรือเอ๊ะไม่ต้อง เอ๊ะตอบมาตรงๆว่าคนที่เพียงพยายามจะทําให้คุณเสียผู้เสียคนน่ะคุณจะถือว่าเขาทําตัวสมเป็นที่พึ่งพาอาศัยอยู่หรือเป็นที่พึ่งไม่ได้สิถ้าคนอย่างนี้เป็นที่พึ่งแล้วเพชฌฆาตก็ต้องถือว่าเป็นที่พึ่งของนักโทษประหารด้วยอ๋อถ้าเชนั้นสมมุติว่าคุณคบกับคนหนึ่งไว้เป็นเพื่อนเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยกันแล้วคนคนนั้นเกิดมาติดสอยห้อยตาม คอยแต่จะเข็นค่าเกียรติศักดิ์ของคุณคอยแต่เหยียบย่ำซ้ำเติมให้คุณทำผิดคิดร้ายซึ่งไปสู่ความเสียผู้เสียคนคุณจะถือว่าเขาทรยศต่อคุณได้หรือไม่ได้แน่นอนเขาเป็นศัตรูในเรือนร่างของมิตรนี่แหละท่านที่รักเพื่อนแท้นั้นหมายถึงคนที่ทำตัวเป็นที่พึ่งพิงได้เท่านั้นส่วนคนที่คอยปรบมือให้เราทำชั่วนั้นไม่ใช่เพื่อน เขาเป็นเพียงลูกมือของยมบาลที่คอยคุมตัวเราไปลงนรกเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่มีศักดิ์ถึงขั้นเป็นเพื่อนตายนั้นเป็นยอดของเพื่อนหมายถึงคนที่หวังดีต่อเราเป็นอย่างยิ่งคอยทัดทานเราทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เราทำชั่วทำเสียทั้งขัดขวางจนกระทั่งตัวตายก็ไม่ยอมปล่อยให้เราเสียคนเพื่อนอย่างนี้ต่างหากมีศักดิ์เป็นเพื่อนตาย ที่พระพุทธองค์ทรงให้เรารู้จักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงก็หมายถึงเพื่อนประเภทช่วยเราให้ดีหรือช่วยทัดทานไม่ให้เราเสียอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ทรงสอนให้เราตำน้ำพลิกละลายแม่น้ำหรือเกี่ยวหญ้ามุงทุ่งดีใจแต่ได้เห็นเพื่อนกินมาช่วยกินหรือลหลงไหลไปเลี้ยงศัตรูคิดว่าเป็นมิตรเพื่อนตายนั้นเป็นที่พึ่งของครอบครัวเขาช่วยป้องกันผัวเราไม่ให้เสียคน เขาช่วยป้องกันเมียเราไม่ให้เป็นม่ายเขาช่วยป้องกันลูกเราไม่ให้เป็นคนอนาถาเขาช่วยป้องกันทรัพย์สินทั้งสิ้นของเราไม่ให้ล่มจมและเขาช่วยป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีของตระกูลเราให้ผุดผ่องอยู่ชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นเราเลี้ยงเพื่อนตายของเราก็เหมือนเลี้ยงคนที่รักตั้งแต่ตัวเราจนกระทั่งลูกหลานเหลนพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนควรคิด 3. การบาบัดอันตรายความมุ่งหมายของเราจ่ายงบนี้คือการป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆเป็นที่รู้กันอยู่แล้วชีวิตของคนเรามีภัยอยู่รอบด้านมันอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และอาจเกิดขึ้นในลักษณะเป็นภัยส่วนตัวเฉพาะในครอบครัวของเราหรือเกิดขึ้นภายนอกครอบครัวแต่มีผลกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพของเราก็ได้ภัยดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นจากเหตุอื่นๆ จากเหตุธรรมชาติจากมนุษย์ด้วยกันภัยที่เกิดจากเหตุธรรมชาติเช่นน้ําท่วมใหญ่ไฟไหม้บ้านพายุใหญ่ฝนแล้งและอื่นๆภัยที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันโจนผู้ร้ายกบเริบฆ่าศึกยกกองทัพมาย่ยํายีบ้านเมืองเกิดศึกสงครามอันธพาลกบเริบภัยที่เกิดจากเหตุอื่นๆเช่นการเจ็บป่วยโรคระบาดสัตว์ร้ายอลาวาาเพีย้ยหนอนลงไร่นาและอื่นๆ ทั้งนี้ยกมาให้เห็นพอเป็นตัวอย่างและให้ได้คิดว่าภัยเหล่านี้เป็นของมีอยู่ประจำโลกเมื่อเราครองชีวิตอยู่ในโลกก็เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องเผชิญเข้าสักวันหนึ่งไม่มากก็น้อยฉะนั้นในการครองเรือนพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในการป้องกันและบรรเทาภายัยเราจะสังเกตเห็นว่ามีพระพุทธโอวาสอยู่ในที่ต่างๆมากมายทีเดียวข้าพเจ้าขอสรุปพระพุทธโอวาเท่าที่ พบเห็นมาเป็นข้อเสนอแนะง่ายและให้ข้อคิดส่วนตัวประกอบด้วยดังต่อไปนี้การป้องกันและบรรเทาภัยนั้นมีข้อที่เราต้องเตรียมอยู่สองอย่างคือก่อเตรียมตัวและขอเตรียมการนี่เป็นความรู้สึกที่รวบรวมมาจากการได้ศึกษาพระพุทธโอวาทแล้วถ้าหากเอาอธิบายมารวมไวในปัญหาการจ่ายทรัพย์นี้ก็คงไม่เป็นการออกนอกเรื่อง แต่จะเป็นการทำให้เรือนชั้นนอกนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อการเตรียมตัวการเตรียมตัวเผชิญภัยอันตรายนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดความไม่ประมาตเป็นหลักได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าปรมโทมัจจุโนโปะทงังความประมาตเป็นทางแห่งความตายและว่าอัปรมโทอมตตังปะทงังความไม่ประมาตเป็นทางไม่ตาย ความของพระพุทธโอวาสองข้อนี้ส่งความชัดเจนว่าถ้าใครประมาทมีหวังตายถ้าใครไม่ประมาทก็มีหวังรอดนี่ว่ากาันรตรงๆไม่ต้องเล่นสำนวนอ้อมค้อมฉะนั้นการเตรียมตัวที่จาเป็นในลำดับแรกที่สุดก็คือการเตรียมใจของเราเองให้เป็นใจที่ไม่ประมาทเอาตรงนี้ก่อนปัญหาต่อไปคือความไม่ประมาทลักษณะอย่างไรที่เรียกว่าความไม่ประมาท โดยมากเราจะได้ยินคำอธิบายอย่างรวบๆว่าความไม่ประมาทได้แก่ความไม่อยู่ปราศจากสติแล้วก็ไขความว่าได้แก่ความไม่เลอเลอไม่เพลอเลออธิบายอย่างนี้เป็นการอธิบายในวงนักรู้นักปราชากับนักปราชคุยกันแต่ก็ไม่แน่นักเหมือนกันว่าผู้ฟังสามารถจะเอาข้อปฏิบัติได้ตรงไหนบางทีรู้ตามตาราคือรู้ว่าคนพูดพูดถูกหรือพูดผิด แต่ว่าจับเงื่อนไม่ถูกก็ไม่ได้ผลทางปฏิบัติมีลักษณะ2 อ, อย่างคือ 1. ระแวงและ2ระวังระแวงกับระวัง2 อ, อย่างนี้คือลักษณะของความไม่ประมาท ถ, ถ้าจะสอบดูตัวว่าเวลานี้เรามีความประมาทหรือไม่ก็เอาสองอย่างนี้มาสอบดูถ้าขาดการระแวงหรือขาดการระวังหรือขาดทั้งสองอย่างนั่นเป็นการอยู่ด้วยความประมาท ร, ระแวงคืออย่างไรระวังคืออย่างไร ท่านมีเงื่อนไขว่าอย่างนี้ว่าระแวงก่อนระแวงสิ่งที่ควรระแวงระแวงความหมายว่าหวั่นใจคาดคิดสอดส่องว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นคือจะเกิดภัยอะไรขึ้นอะไรจะเป็นภัยแต่ทั้งนี้ท่านมีเงื่อนไขว่าให้ระแวงแต่สิ่งที่ควรระแวงเท่านั้นมันน่าจะระแวงจึงจะระแวงของที่มันไม่น่าระแวงก็ป่วยการไประแวง การตั้งข้อรังเกยียจระแวงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะของคนขาดไม่ใช่บัณฑิตฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงจำกัดลงไว้ว่าให้ระแวงเฉพาะที่มันน่าระแวงเท่านั้นความระแวงอย่างนี้เป็นภาคหนึ่งของความไม่ประมาทส่วนอีกภาคหนึ่งคือความระวังหมายความว่าเมื่อระแวงว่าภัยสิ่งใดจะมาถึงตนก็ให้ระวังป้องกันไว้ที่ว่าร้ายจะกลายเป็นดีที่หนักจะกลายเป็นเบา มีแต่ระแวงเฉยเฉยไม่ได้ระวังก็ไม่มีผลดีอะไรเงื่อนไขของความระวังนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงระวังภัยที่ยังไม่มาถึงหมายความว่าระวังอนาคตระวังข้างหน้าตั้งแต่นาทีหน้าชั่วโมงหน้าวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าไปข้างหน้าโนอนส่วนภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแล้วไปแล้วไม่ต้องระวังเงินไม่พอใช้เมื่อเดือนที่แล้ว ไม่ต้องระวังให้ระวังเด็ดหน้าลูกระเบิดใส่เราเมื่อสงครามคราวที่แล้วไม่ต้องระวังเพราะมันระเบิดแล้วระวังหรือไม่ระวังมันก็ระเบิดของมันแล้วให้ระวังลูกที่มันจะระเบิดสงครามคราวหน้าโน่นการสอบตกคราวที่แล้วนะ่ะช่างมันมันตกไปแล้วแต่ให้ระวังมันจะตกอีกคราวหน้าบรรดาโทสะมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ไม่ต้องระวังอีก คราวนั้นผ่านไปแล้วเราดีกันแล้วควรระวังอย่าทำอะไรอย่าพูดอะไรให้มันเกิดทะเลาะกันอีกคราวหน้ารวมความว่าให้ระวังข้างหน้าที่เรียกว่าระวังภัยที่ยังไม่มาถึงลักษณะของการระวังคือการเตรียมตัวป้องกันที่จะไม่ให้ภัยนั้นๆเกิดขึ้นถ้ามันเหลือบากว่าแรงจริงๆก็ผ่อนหนักเป็นเบาคนระวังมังจะเป็นคนมีท่า จะล้มก็ล้มอย่างมีท่าจะแพ้ก็แพ้อย่างมีชั้นเชิงขอเตรียมการหมายถึงการเตรียมงานเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้เตรียมกําลังเตรียมจัดเตรียมสเสบียงอาหารเตรียมผู้คนและอื่นๆตามแต่ประเภทของการระวังนี่แหละเรื่องที่ผู้ครองเรือนจะจ่ายทรั์อยู่ตรงนี้ได้กล่าวแล้วว่าภัยมีสองประเภทคือเกิดขึ้นภายในครอบครัวบ้านเรือนของเราโดยตรงก็มี เกิดขึ้นแก่เพื่อนบ้านหรือแก่ส่วนรวมแต่อาจกระทบกระเทือนมาถึงเราก็มีฉะนั้นการเตรียมป้องกันและบรรเทาภัยจึงต้องเตรียมไว้หลายอย่างเป็นต้นว่า 1. เตรียมป้องกันภยัยภายในครอบครัวเราเองเช่นจัดหาหยุกยาไว้รักษาเวลาเจ็บป่วยเป็นต้น 2. เตรียมช่วยเหลือเพื่อนบ้านยามมีภยัยเหลือบากกว่าแรงการเจ็บการตายเกิดขึ้นหรือเกิดไฟไหม้บ้านเรือนเป็นต้น และ 3. เตรียมให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมในการป้องกันสาธารณาภัยเช่นป้องกันหรือป ร, บราบปรามโจรผู้ร้ายการสร้างทำนบการลอกคลองการสร้างสะพานการสร้างโรงพยาบาลการดับเพลิงและการป้องกันประเทศเป็นต้นรวมความว่าพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนจะต้องคิดถึงปัญหาการป้องกันภัยมีการเตรียมตัวเตรียมการตามความเหมาะสม จะเพิกเฉยเสียเป็นการไม่สมควรฉะนั้นจะต้องตั้งงบจ่ายไว้สําหรับการนี้ด้วยเป็นงบหนึ่งในห้า ง, งบที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เท่าที่พูดมาในเรื่องป้องกันและบรรเทาภัยนี้เป็นเรื่องธรรมดารู้สึกว่าไม่ใช่ของแปลกรสชาติก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนให้ท่านผู้อ่านซดแกงจืดติด ต, ด, ตดกันตั้ง4ช้อนห้าช้อนถ้าเช่นนั้นลองซดต้มยำร้อนๆดูสักโฮกเถอะ จะลอยพริกขี้หนูไว้ให้ด้วยระวังระวังหน่อยการป้องกันภัยและการบรรเทาทุกข์ซึ่งจัดเป็นส่วนรวมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมเวลานี้ในเมืองไทยเราก็ได้จัดทำกันอยู่เป็นหลายแขนงแล้วแต่ก็ยังลุ่มๆ ม, มนอนดอนขาดขาดเกินเกินทำได้ไม่ถึงจุดเด่นของงานเสียเป็นส่วนมากเพื่อความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าเองขอเรียนไว้ก่อนว่า ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะตำหนิติเตียนท่านผู้ใดหรืออวดฉลาดแต่ขอเสนอไว้เพื่อช่วยกันปรับปรุงสังคมของเราให้ดีขึ้นภายหน้าเท่านั้นเมื่อปี2496ันรเข้าพเจ้าได้ประสบภัยร้ายแรงครั้งหนึ่งคือถูกไฟไหม้บ้านมันไหม้หมดไม่มีเหลืออะไรไว้เลยแม้แต่ไม้จิ้มฟันสักอันหนึ่งเพราะมันลามมาไหม้เวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านในคราวนั้นมีหน่วยบรรเทาทุกเกิดขึ้น2หน่วย คือหน่วยของสมาคมจีนกับหน่วยของราชการแสงไฟยังไม่ทันจะดับดีเลยสมาคมจีนไปตั้งกองบรรเทาทุกข์มีข้าต้มแจกผู้ประสบภัยมีเจ้าหน้าที่บริการหลายคนแต่ละคนแสดงสีหน้าท่าทางกุลีกุจอช่วยเหลืออย่างเต็มใจและอย่างเห็นอกเห็นใจมีชามถือเข้าไปหาเขาเขาตักให้ทันทีถึงชามไม่มีเขาก็หาชามให้ของที่ทําเลี้ยงนั้นก็พื้นพื้ น, นเต็มที แต่น้ำใจของเขานั้นเหลือเกินรุ่งเช้ายังมีการแจกเสื้อผ้าและเครื่องครัวอีกเราทุกคนรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวแต่ในโอกาสเดียวกันนั้นข้าพเจ้ารู้สึกอายพวกสมาคมจีนเป็นอันมากทำไมก็จะทำไม่เสียอีกละ่ะในขณะที่สมาคมจีนทำการช่วยเหลืออยู่นั้นเจ้าหน้าที่ของทางราชการเพิ่งจะยกเอาเครื่องขยายเสียงไปตั้งโฆษณาหวยหวน เชิญชวนคนทั้งหลายมาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยคนประสบภัยและประกาศให้ผู้ประสบภัยมารายงานตัวอีกอี่วันข้างหน้าจําไม่ได้เสียแล้วในเรื่องนั้นว่าเมื่อมารายงานตัวแล้วก็ให้รอฟังประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะแจกของช่วยเหลือได้เมื่อใดรวมความว่ามันไม่ทันการฝีมือครั้งนั้นแพ้เจ๊กหลุดลุ่ยเลย ส่วนของที่แจกช่วยเหลือซึ่งรอรับตามวันนัด น, นั้นข้าพเจ้าขอไม่พูดข้าสารทนานเดียวก็เป็นพระคุณแล้วแต่บางอย่างไม่มีประโยชน์แก่ผู้รับเลยก็มีเช่นข้าพเจ้าได้กางเกงสำหรับเด็กทารกไปตัวหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นที่แรกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นของที่มีคนเอามาบริจาคแต่ถามดูได้ความว่าทางการไปซื้อมาเองยิ่งทาให้งนงงเป็นอันมากว่าจะไปซื้อของพ น, นันมาทาไม นิว่าข้างไอเจ็กในคราวนั้นแต่ต่อมาได้ทราบว่าการช่วยเหลือทันสมัยขึ้นมากแล้วแล้วข้างเสียใจกับชาติบ้านเมืองก็มีไฟไหม้บ้านเหลือแต่ขี้เท่าแล้วไปขอรับหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะได้เอาไปแสดงขอความช่วยเหลือข้างหน้าว่าไฟไหม้บ้านจริงๆก็ต้องเสียเงินค่ารับรองอีก3บาท4บาทก็เอากับคนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วถ้าจะคิดเป็นค่าแผ่นกระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ก็คงไม่เกินสหลืงเดียวทางที่ถูกการออกหนังสือรับรองให้คนถูกไฟไหม้เพียงร้อยครอบครัวเสษเศษแม้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลยบ้านเมืองก็คงไม่ถึงกับเกิดยุคเข็นกระมังดูทางต้นตำรับบรรเทาทุกข์ก็ไม่เลวเหมือนกันตำรับบรรเทาทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนมากแล้วพระสงค์ก็เทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่ทั่วไป แต่การบรรเทาทุกข์ที่สำคัญซึ่งทางวัดต่างๆในกรุงเทพเดาเนินการอยู่เวลานี้คือการเผาศพได้มุ่งไปในทางการค้าเสียแทบทั้งนั้นแทบทุกวัดที่มีเมนได้ถือว่างานรับจ้างเผาศพเป็นอุสาหกรรมที่ขึ้นหน้าขึ้นตาทีเดียวยังไม่มีวัดใดที่คิดช่วยเหลือทําศพคนยากคนจนในลักษณะงานกุศลสงเคราะห์งานด้านนี้เราก็แพ้เช็กอีกเหมือนกัน สมาคมจีนเขาทำได้ดีมากและดีมานานแล้วเพียงแต่โทรศัพท์ไปบอกว่าศพคนตายให้มาช่วยเอาไปเผาทีจะมีเจ้าหน้าที่รับศพมาพร้อมทั้งรถขนศพในไม่ช้าเขาก็ดำเนินการให้เสร็จไม่ว่าศพเจ๊กศพไทยในเรื่องนี้เราก็แพ้เขาหลุดลุ่ยเหมือนกันลองเข้าหาองค์กรชาปนากิจของวัดไทยดูบ้างต้องจ่ายเงินกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะฝังจะเผาจะตั้ง จะฝากต้องใช้เงินทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่คิดเสียเลยก็แล้วไปแต่ถ้าคิดดูแล้วก็อายเขาเราชอบว่าเขาว่าพวกมหายานปฏิบัติทำวินัยย่อหย่อนแต่ถ้าเขาไม่หย่อนลงมาคนจนก็แย่ลูกศิษย์หินยานเองหมดตัวแล้วก็ต้องพึ่งเขาหรือไม่จริงว่าแล้วชามนี้ต้มยำลอยพริกขี้หนูไว้ด้วยถูกเข้าบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบโปรดนึกเสียว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่รักก็ไม่ต้มยมให้ท่านรับประทานทำแกงจืดง่ายกว่าเป็ไหนๆปากามันพาข้าพเจ้าลุกเลยเส้นเขตมากไปหน่อยแล้วคืนไม่ถอยเห็นจะไม่ปลอดภัยแน่จึงขอกราบอภยัยและถอยกลับแค่นี้ประเดี๋ยวท่านสมพานจะมะโหให้มหาปิ่นตายมาสิฉันจะเผาให้ฟรีไม่เหมาะแน่ทางนี้ท้งนั้นโปรดถือว่าเป็นข้อเสนอประกอบการจ่ายทรัพย์ ในงบที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ตั้งไว้เพื่อบำบัดอันตรายจะได้ไม่ลืมว่าเมื่อยังปกติสุขป้องกันภัยไว้เผื่อครามีภัยด้วยแล้วอย่าลืมงบสุดท้ายรายการสุดท้ายคืองบเผาตัวเอง 4. ี่ทำพีกรรม 1. ญาติพีส่งเคราะญาติพี่น้องเช่นให้ของฝากของขวัญ ช่วยเหลือในคราวมีงานพิเศษ 2. ออัฐิพีจ่ายในการรับรองแขกให้สมกับฐานะของตนเช่นจัดน้ำดื่มและอาหารต้องรับเป็นต้น 3. ปุปพะเปตรพรีจ่ายทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลแก่บรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้ว 4. ราชพีเสียภาษีอากรช่วยราชการบ้านเมืองตามกฎหมายและตามคราวจาเป็น 5. เทวตาพรีจัดให้มีที่สักการะบูชาขึ้นในบ้านเรือนและทำการบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนและเครื่องบูชาที่นิยมกันข้อควรทราบเกี่ยวกับพรีกรรมพลีคือการเสียสละให้ความจริงก็คือการส่งเคราะห์หรือการช่วยเหลือนั่นเองแต่เป็นการส่งเคราะห์ด้วยการเสียสละทำให้เหมือนเปล่า เวลาทําให้รู้สึกคล้ายๆเสียข้าวเสียของเปล่าๆแต่ความจริงแล้วพลีกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศาสนิกตั้งงบจ่ายไว้ทําพลีกรรมอย่างนี้ก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าทําแล้วจะเป็นผลดีแก่ผู้ทําถ้าหาไม่แล้วก็คงไม่สั่งสอนให้ทํำแน่ๆเพราะฉะนั้นผู้ครองเรือนเมื่อตนมีกําลังควรทําพลีกรรมทั้งห้าโดยคารพ จะเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนและครอบครัว 5. บริจาคทานงบจ่ายทรัพย์4ี่งบที่ว่ามาแล้วเมื่อพิเคราะห์ดูความมุ่งหมายเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการจ่ายเพื่อมุ่งทาคุณคือทำความดีส่งเคราะห์แก่ผู้อื่นเพื่อเขาจะได้รำลึกถึงไมตรีแล้วตอบแทนแม้การบูชาเทวดาในหลักพลี5ก็คือการทาคุณกับเทวดานั่นเอง ในการแสดงผลของการบูชาเทวดาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าตาปูชิตาปูชยันติมานิตามานาันตินังเทวดาที่เขาบูชาแล้วย่อมจะเคารพนับถือเขาตะโตนางอนุกรรมปันติมาตาปุตตังวะโอระสั่งแล้วก็จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้รวมความว่าการจ่ายทรัพย ในสี่หลักที่ว่ามาแล้วเป็นการจ่ายเพื่อทำคุณเอาผลในปัจจุบันทันตาเห็นแต่การจ่ายงบที่ห้าซึ่งกำลังพูดกันอยู่นี้เป็นการจ่ายเพื่อทำบุญต้องถือว่าเอาบุญมากกว่าเอาคุณแม้จะเป็นคุณตอบแทนบ้างก็เป็นผลพลอยได้เหมือนปลูกมะม่วงหมายกินผลแต่จะเก็บใบอ่อนมาจิ้มกะปิคั่วบ้างเป็นบางมือ้อบางคราวก็ทาได้อร่อยดีเหมือนกัน แต่ก็ไม่ใช่ผลที่หมายของการปลูกมะม่วงแท้จริงเช่นเดียวกันกับการบริจาคทานก็มุ่งบุญเป็นผลที่หมายและได้คุณเป็นผลพลอยได้ฉะนั้นในบทนี้เราน่าจะพูดถึงเรื่องการทำบุญพอที่ผู้ครองเรือนจะมองเห็นเหตุผลและลู่ทางปฏิบัติโดยจะตั้งประเด็นไว้2ประเด็นคือ 1. บุญและ2วิธีทำบุญ